คณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเตะรวมจำพรรษาหรื อ, อยังไม่ได้รวมจำพรรษาได้อยู่ทั้งนอกพรรษาได้มาคารวะครูบาอาจารย์พระสงฆ์มีหลวงพ่อเป็นประธานต่าว่าพวกท่านทั้งหลายได้ประม า, าทพลาดพังครูบาอาจารย์เถระอนุเถระ ครูบาอาจารย์ทุกองพร้อมที่จะให้อโหาสิแก่พวกท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันได้ประมาทพลาดพังศรัทธาญาติโยมก็ขอให้ญาติโยมอโหาสิให้เช่นเดียวกันเพราะความผิดความนึกคิดมันไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดถ้าผู้ใดคิดผิดก็คือผิดถ้าคิดถูกมันก็ถูกแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเรา สำรวมระวังอย่าให้ซ้ำซากบ่อยครั้งการประมาทพลาดพังไม่เป็นผลดีถ้ามีน้ำใจมีเมตตามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจนั่นแหละเลิศประเสริฐถ้ามีแต่ความผูกพยาบาทอาฆาตอยู่ในจิตในใจอันนั้นไม่เป็นผลดีเพราะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ ก็ให้อภัยซึ่งกันและกันและก็พร้อมกันก็ขอให้พวกเราเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะภาละปฏิพานธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสงความมุ่ง ม, มาตนปรารถนาทุกประการอหังคมามิตุมเฮหิปีเมามามิตับบัง เอวังโฮตุเอวังโฮตุโยจะปุเบปมัตชิตตวาปัตสาโซนปะปมัติสติโซมังโลกังปภาเซติอภ า, ามุตโตวจันทิมาอภิวาธนาสีลิสานิจังมุทภาปจายีโนจตตารุธรมาวัฏฐติอายุวันโนสุขังพาลังวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรก็เกี่ยวกับวัดกัยนะพวกเรา กินเครื่องกระป๋องกันแล้วกันวันนี้นะเฮ้กินของอาหารสดมานานต่อนานแล้วเขาได้เปิดเครื่องกระป๋องชิมดูนีเป็นไงรสดีไหมเอาเปิดเอ็มพีสามหัวหลวงพ่อฟังสักกันหนึ่งนะเอานั่งสมาธิเลยนะนั่งกัจจมาธิฟังเลยพวกเราทุกทุกท่านถ้าจะว่าไปแล้วการฟังการฟังเป็น บอกเกิดแห่งความรู้ความรู้ความฉลาดความรอบครอบต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังคำนี้เราฟังทุกด้านถ้าหากว่าพวกเรารู้จักแยกแยะก็จะเกิดสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ความแยกแยะไม่ได้ใช้สติปัญญา ฟังไปแล้วก็สักแต่ว่าฟังเพ้อเพอไปฟังในสิ่งที่เขาแนะนําไปในทางสิ่งที่ไม่ดีเราก็เป๋ไปตามเขาด้วยเมื่อเป๋ไปตามเขาเราก็กลับกลายเป็นคนเสียหายไปกับเขาด้วยเพราะการครบค้าสมาคมหรืออาศัยการได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเราก็ขาดสติปัญญาให้ควรไตรตรองเหตุและผลเพราะฉะนั้นคนที่หลอกหรือคนที่ต้มกันได้คนที่ตุ๋นกันได้ก็เพราะว่าคนหนึ่งเหนือกว่าแล้วพราคนหนึ่งขาดปัญญาขาดความรอบคอบพร้อมกันก็เกิดความโลภในใจด้วยก็เลยทําให้ผู้อื่นเข้าต้มตุ๋นได้ง่ายเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน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 คือบอกเกิดแห่งปัญญาอันนี้ก็คือในชาดกมโหสถในชาติพระพุทธเจ้าที่ท่านสเสวยพระชาติเป็นมโหสถที่ว่าเลิศ ก, กว่าทุกชาติทางด้านปัญญาในนั้นท่านก็บอกว่าความตั้งความสงสัยเอาไว้นั่นแหละเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาแต่จะ่าไปวิตกกังวลจนไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ก็วิตกกังวลไปอีก อันนั้นวิตกกังวลไปก็ไม่ดีคนวิตกคนกังวลเพอเพอก็เป็นประสาทเข้ามากินได้ไง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราตั้งความสงสัยเอาไว้เมื่อได้ยินสิ่งที่มาแปลกแปลกมีเงื่อนงําหรือเปล่ามีการซ่อนอะไรหรือเปล่าเป็นความจริงหรือเปล่าคือเราให้ตั้งความสงสัยในเมื่อตั้งความสงสัยแล้วเราจะได้ขี้คลายเราจะได้ใช้ปัญญาพิจารณา คบทวนให้ควรไตรตรองเหตุและผลนั้นๆเราก็จะรู้ได้ด้วยปัญญาของเราแต่ทางว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ผู้ที่เหนือกว่าอย่างที่ว่านะก็เอหลอกลวงหรือต้มเราได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทุกๆท่านได้เกิดภายในพื้นแผ่นดินนี้มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วมีทั้งบัณฑิตมีทั้งนักปราช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 พระคุณของพระพุทธเจ้าพระพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรที่ท่านได้เป็นศาสดาเป็นต้นศาสนาแล้วก็พวกเราได้นับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า<ม>สั่งสอนพวกเราอย่างไรท่านสั่งสอนแล้วท่านได้ประโยชน์อะไรจากเราเสียงเหล่านี้ก็ เป็นหน้าที่พวกเราจะทบทวนพิจารณาทั้งหมดคือพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาในโลกท่านก็พยายามเพราะท่านมีความมุ่งมั่นจะหรือถอนพวกเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงท่านจะเน้ออกทรงฟันนวดอย่างที่ผมได้กล่าวมาหลายครั้งตอหลายหนในที่ต่างๆ การทรงบำเพ็ญของพระ อ, องค์จนเป็นที่แน่ชัดในพระไทยของพระ อ, องค์แล้วว่าเป็นผู้ชำละกิเลสราคะโทสะโมหะโดยเด็ดขาดจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการและกับพร้อมกันที่พวกเราไหว้พระสวดมนต์เราไม่ได้ขอวิงวรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เราไม่ได้บินบอลว่าให้พระพุทธเจ้ามาช่วยเราอย่างมาช่วยเราอย่างนี้เรามีแต่ว่าบรรยายเรียว่ายกพระคุณของพระพุทธเจ้าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธนอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจำแนกแยกธรำอารหังเป็นพระอารหันสัมมาสัมพุทธโธวิชาเป็นผู้มีความรู้ จรณะสัมปันโนเป็นพร้อมโดยวิชาจราณะสัมปันโหนสุก โ, โตเป็นผู้ไปดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกสรุปแล้วคือเราสวดมนต์ลวนแล้วจะเป็นเป็นที่เช่ดชูบูชาบรรยายพระคุณของของท่านตลอดถึงเราสวดมนต์มันสุดท้ายที่ว่าชลาธมโมหิชฉลังอนาตติโต ก็เหมือนกันเราไม่ได้ขอวิงวอนว่าขอความตายอยามาถึงข้าวไปเจ้าโดยพระเจ้าจงมาช่วยหรือพุทธเจ้าจงมาช่วยข้าวไปเจ้าย่าให้ข้าวไปเจ้าถึงความตายเราก็ไม่ได้บรรยาอย่างนั้นเหนียวชาราธมมิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ให้ค่า ใ, ให้เห็นตามความเป็นจริงจนถึงว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง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 สำหรับพวกเราได้ทรงแนะนำสั่งสอนเวทนายสัตว์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้รู้จักบาปบุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกเราจึงกลาวว่าสักการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราถ้าพระพุทธเจ้าไม่วางพระธรรมคำสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติพวกเราก็คงจะไม่มีสติไม่มีปรรัญญา ไม่มีแนวความคิดเรื่องจะรู้เห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่ศีลอย่างนี้เป็นตน้นพระพรุทธเจ้าแนะนําเรื่องศีลเรื่องทานทานะคือการให้สําหรับเป็นครวญญ า, ยาจโยมพระพุทธเจ้าทําไมจึงให้สอนให้ให้ทานให้ทานเป็นการเสียสละสิ่งของของตนทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานพระพุทธเจ้าท่าน มองไกลท่านบอกว่าคนที่มีจิตใจกว้างขวางมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อมนุษยชาติต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนั้นๆแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีการสงเคราะห์ ก, กันไม่มีน้ำใจต่อกันไม่มีการเสรือเผื่อแพ่ให้กันไม่มีการสงเคราะห์ ก, กัน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 ให้ให้ข้าวน้ําโภชนาอาหารที่เห็นเขาได้ลำบากตกทุกข์ได้อยา่างเราพอจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรถ้าเรามีเงินคําทรัพย์สมบัติเราก็พอที่จะให้เขาได้เจือจานเขาได้เราก็ช่วยเขาทางว่าเราก็ย่ําแย่อยู่แล้วเราควรแนะนําเขาว่าควรทํำยังไงอันนี้ก็คือน้ําใจทานะทั้งหมดตลอดถึงให้ชีวิตเขาเป็นทานเราไม่ฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขาอย่างนี้ ที่เรามีอํานาจเหนือกว่าอันนี้ก็คือฐานะนคือการเสียสละของเรามีหลายขั้นตอนให้ความรู้เป็นทานแนะนําสั่งสอนเลือให้ช่วยชงเคาะอนุเขาเขาให้ชีวิตของเขารักษาโรคภัยไข้เจ็บของเขาจะนี้เป็นต้นพอในสุดเขากับเราเราก็มีผู้เลี้ยงดูเราอีกเป็นหลายขั้นตอน ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเรามีแต่สงเคราะห์เขาอย่างเดียวไม่ใช่ใอย่างเราเป็นพระอย่างนี้เราก็แนะนำสั่งสอนเขาเขาก็ทำบุญทาทานช่วเหลือเผื่อแผ่ให้แก่เราเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างพวกเราไปบินธบัตเขาคิดอะไรจากเราไหมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมีตรสัยบาทให้พวกเราพวกเราก็ออกมาฉันพอมาฉันเสร็จแล้วเราที่จะช่วยชงเคราะห์ อ, อะไรให้แก่เพื่อนมนุษยชาติได้เราก็ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เขานี่แหละ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 เราก็ยักขโมยของเขาให้เคารพสิทธิ์กันให้เคารพสิทธิ์กันซ้มมีพัญญาลูกเต่าพ่อแม่ลูกหลานของเราเรารักเราก็จะไปล่วงละเมิดเขาให้เคารพสิทธิ์ของเขาเราจะไปโกหกเขาเมื่อเราไม่ชอบในการที่จะให้เขามาโกหกเราสุราก็เหมือนกันเหมือสุราก็ถ้านดื่มเข้าไปแล้วมันต้องเมาไม่เป็นอย่างอื่น ทางว่าเราไปดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทํำไรทุกอย่างพูดอย่างงั้นด่าเพราะขาดสติคพราะนั้นการขาดสติดีไหมถ้าเห็นคนขาดสติดีไหมเราก็กลัวเขาต่างหากเมื่อเขาขาดสติแล้วไม่รู้จะมาไม้ไหนเพราะนั้นคนขาดสติมากๆถ้าเขาเป็นคนมีเจ้าอารมโมโหโทโซแล้วก็เราไม่อยากจะไปใกล้ที่วยซ้ําไป เพราะนั้นเขาเราก็เช่นเดียวกันเขาก็กลัวเราเหมือนกันถ้าเราขาดสติเพราะนั้นการดื่มธุระและเมลัยขาดสติเป็นผลผลทางเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ดีพูดได้อย่างนั้น <Okay. S 1> เพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะศีล <Okay. S 1> ของพวกพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าเรามองไกลยอย่าไปมองใกล้ถ้ามองใกล้แล้วก็จะมองไม่เห็นมันจะเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวเท่านั้นท่ามองไกลถ้ามองไกลแล้วจะเห็นคุณค่าของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อโลกมีทุกขั้นตอนที่พระพุทธองค์สอนพวกเราท่านทั้งหลายพุทธบริษัทของพผมถ้าว่าเป็นฆราวาสญาญโยมพระพุทธเจ้าก็สอนการครองชีพควรทําตัวอย่างไร เมื่อเราเป็นฆราวาสเราควรจะทำตนอย่างไรเมื่อเรามีพ่อแม่เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราเป็นพ่อแม่ของเขาของลูกเราควรทำตัวอย่างไรเนี่เมื่อเราเป็นคนการทำมาหาเลี้ยงชีพเราควรทำตัวอย่างไรเพราะพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดคนนั้นทาวว่าพวกเราได้ศึกษาตามแนวแถวของ ที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแล้วพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญความเย็นใจจะเข้ามาสู่พวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราเดินแวะออกไปนอกทางแล้วความหายนะก็จะเข้ามาสู่ใจการกระทํำของเราเราก็จะต้องทุกข์เดือดร้อนแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอย่างครวญวัพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีการทํามาหาเลี้ยงชีพท่านว่าอุทนาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรักขาสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติที่สสแสวหามาด้วยความยากลำบากรักษายศถาบรรดาศักดิ์รักษาหน้าที่การงานคำว่ารักษาอย่าให้ตุดหล่นออกไปอย่าให้เสียหายเนี่ยมาอารักขาสัมปทากัรยานามิตร ให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนชั่วถ้าว่าคบคนชั่วจะเกิดความเสียหายได้ง่ายสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปคดโกงอย่าไปปนจีเขามาเลี้ยงชีวิตเราอันนี้แปลว่าพระพบุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดการครบค้าสมาคมการครบกับคู่คนอันนี้ พ, บพบระพุทธองค์ท่าน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 เขาได้มาอย่างไรถ้าเขาได้มาในทางที่ไม่ชอบถ้าเราไปคบคาสมาคมกับเขาอีกสักวันหนึ่งเราก็ไปเรียนแบบเขาแต่ในเมื่อเรียนแบบเขาสนะความหายะนะก็จะเข้ามาสู่ตนได้ง่ายๆเพราะนั้นการครบคาสมาคมเป็นสิ่งที่ควรเลือกอตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพระภิกษุ ที่เป็นฝักฝ่ายเทยวทัตนะหนึ่งคือเทวทัตนี่เป็นครบกับพระเจ้าอาซาตสตรูกุงราชกุลพระเจ้าอาซาตสตรูก็เห็นว่าเป็นพระเทวทัตเป็นอาจารย์ของท่านท่านก็ช่วยเหลือเจือจานทุกสิ่งทุกอย่างปัจใจสี่ต้องการอะไรเพราะเข้าไปเป็นอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินคือพระเทวทัตสมัยอาซาตสตรูเป็น เจ้าฟ้าชายก็ยุโยงให้ข่าพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาพระเจ้าชาตรูไปได้สําเร็จโทษพระบิดาอย่างที่พวกเราได้อ่านได้ศึกษาในประวัติศาสตร์หรือว่ามาในพรไตรปิฎกจากนั้นเมื่อสําเร็จโทษแล้วเทนเท ว, วทาตก็เข้าไปคลองใจพระเจ้าอชาชิตรูนะท่า น, น พระเจ้าสสัตว์ก็เป็นผู้บำรุงทันุบำรุงพระเทวทัตพระเทวทัตก็มีบริษัทบริวารมากมายแต่ก็เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าเป็นอริเป็นคู่ศัตรูกับพระพุทธเจ้าเอเห็นโมพุทธเจ้าใช่ใช่เข้าอยากแข่งบา ร, รมีอยากเป็นพระพุทธเจ้าอแทนพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะอย่างงั้นเน่ยลืมตัวความลืมตัวนี่แหละอันนี้ เทวทัตเขาก็มีหมู่มีเพื่อนมีพระสงฆ์ห้อมล้อมเหมือนกันแต่พระฝ่ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของทางฝ่ายนี่เห็นว่าฝ่ายนั่นมีอติเลระดมากก็เข้าไปคบค้าสมาคมเพื่อนอยากจะได้กินของดีๆใช้ของดีๆเนี่ยคบค้าสมาคมกับเขาแต่นี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นนกสองหัวแล้วก็มาอยู่ที่นี่ด้วย แล้วก็ไปคบเป็นหมู่พวกเพื่อนของลูกศิษย์ของพระเทวทัตด้วยพระสงฆ์ก็เลยติเตียนพระราษฎรพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านก็บอกออกมาแนะนำํำบอกว่าเธออย่ายินดีในปัจจัยที่ไม่ถูกต้องอย่าไปพบค้าสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติที่ไม่ถูกต้องถ้าพบคนใดก็เป็นเช่นคนนั่นแด่ทําทให้ เสียหายได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปพบคนที่ไม่ดีอันนี้คือพบพระเจ้าเป็นธรรมท่านเป็นธรรมสอนในในเครื่องเป็นธรรมเพราะท่านมองเห็นอนดีตนนอนาคตแล้วท่านสอนด้วยความเมตตาไม่มีอย่างอื่นไม่มีการอิจฉาพยาบาททั้งหมดจากนั้นท่านก็ยกเป็นชาดกขึ้นมาเท่นี้คือว่าให้สอนให้ให้เข้าใจง่ายเ น, นั้นก็ว่าพระองค์เนี้ยตากนะ่อนเน่ะ เคยถูกลูกธนูมาแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมจึงว่าเคยถูกลูกธนูมาแล้วพราะพระพุทธเจ้าว่าสมัยหนึ่งเราเป็นราชสีสีอยู่ในถ้ำแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีลูกชายมีลูกหญิงจากนั้นก็มีลูกชายก็ไปมีนางราชสีสีอีกว่าไงั้นน ราชสีตัวเมียมาอยู่ในถ้าเดียวกันจากนั้นราชสีตัวนี้ที่เป็นลูกชายเนี่ยเป็นผู้สติปัญญาค่องแขล่วว่องไวไปหากินแล้วก็บข้าบสัตว์ต่างๆมาให้พ่อแม่ที่อยู่ในถา้ากินอยู่เสมอเสมอแต่วันหนึ่งราชสีตัวนี้ไปเจอกับหมาจิ้นจอก พอไปเจอหมาจิงจอกหมาจิงจอกตัวนั้นก็บอกว่าอาพราะว่าหมาจิงจอกมันหนีไม่พ้นมันกลัวราชสีห์มันก็บอกว่าโอ้ผมขอมาผมขอสวัสิ์พิพักผมขอยอมเป็นลูกน้องให้ผมทําอะไรผมก็ยินดีราชสีห์อา้าวถ้าเป็นลูกน้องก็ดีจากนั้นก็หมาจิงจอกตัวนั้นก็พยายามตามมามาถึงถ้าผู้พ่อเห็น เห็นหมาจริงจอกก็เตือนลูกชายตัวเองว่าอย่าไปคบกับหมาจริงจอกนะหมาจริงจอกนี่เป็นสัตว์ที่ไม่ซื่อสัตว์สามารถที่จะหลอกลวงแนะนำไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายเพราะนั้นลูกอย่าไปคบกับมันนะอย่าไปคบกับคนต่ำจะไปคบกับหมาจริงจอกดูแล้วไม่เป็นคนดีนะ ความหมายนะจะมาถึงลูกมากกว่าที่จะเป็นผลดีอันนี้ราชศรีที่เป็นลูกชายเนะ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อพ่อบอกว่าเออหมาจริงจอกมีอะไรไปมันมีจะเป็นลูกน้องเราตอนนั้นเองมันเป็นตัวเล็กมันเป็นตัวน้อยดิบหน่อยเดียวมันจะมาทําอะไรเราได้แมันมีแต่เราสั่งให้มันไปทําอะไรมันก็ไปดูไปสอดไปแยมให้ได้ มันไม่เห็นมีอะไรลักษณะยอย่างนั้นอ่ะผลในสุดที่นี่หมาจริงจอ่อมันก็บอกว่าหมูปา่าเคยได้กินแล้วเก้งกเคยได้กินกวางเคยได้กินเคยได้กินสัตว์มากมายแต่ยังไม่ได้กินไม่เคยกินมา้าเหมือนกัาเนี่ยยังไม่เคยกินอยากจะกินมา้ารถหมาเป็นยังไงราชสีห์ก็ถามว่าหมามันอยู่ที่ไหนนู่น อยู่ใกล้ๆกำแพงหรือว่าไกลแม่น้ำในเยนละวดีใกล้กรุงพรานสีมันจะอยู่แถบนั้นพร้อมเป็นของมนุษย์นะทีนี้ก็เอาเราจะไปเอาได้ยังไงวิธีการไปไปผมพาไปม้าจรจอมันเคยไปทุกแขนทุกโหนยู่แล้วมันเคยพาราชสีไปไปเขาไปเห็นม้ากระโดดขาบม้าได้ ได้มากมาแบ่งให้หมาแล้วก็มาฆ่าบมาให้พ่อแม่พ่อเห็นโอ้ทําไมไปเอาฆ่าหมามาลูกไม่ได้ถนะ้มาม้นเป็นของพระราชาพระราชานะเป็นผู้มีสติปัญญาเสียบแผลงมากนะถ้าเจ้าไปทําอย่างนี้เจ้าตัวไม่รอดนะจะต้องถูกฆ่าแน่นอนเจ้าหยุดนะอย่าทํานะอย่าไปใกล้มนุษย์นะมนุษยม์มีหัวเหนือกว่านะเจ้าเห็นว่าเจ้าเก่งเกินมันสู่มนุษย์ไม่ได้นะ แต่ลูกชายเนี่ยไม่เชื่อฟังบอกว่าตัวเองพร้อมที่จะหลบหลีกความเร็วของเราเนี่ยเหนือกว่าแลว้วก็ชั้นเชิงที่เราจะหลบหลีกมานั้นมนุษย์จะเป็นใครก็เถอะไม่สามารถที่จะจับเราได้เบียดเบียนเราได้ให้บอกความคึกความขนองความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเหนือกว่าบา ง, งั้นจัอไม่คาดคิดบ่าคนอื่น จะจัดการกับเราได้จากนั้นก็พยายามไปคาบเอาม้ามากินเรื่อยๆเถนี่ยกินจัดนั้นกินจะนี้กับคาบม้ามากินกลัวนในสุดกระเดือดร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ไปชุมนายคำมังธนูที่คำมังเลยว่างั้นเถอะเพรว่าคำมังธนูว่างั้นนถอะเป็นผู้แม่นธนูที่สุดในกรุงพระนสีนั่นว่าจะยิงราชศรีได้ไหมนายคำมังธนูว่าได้อเขาก็เตรียม นั่งแท่นเหนือกำแพงเอาไว้เพราะมันกระโดดข้ามกำแพงไอ้มาล่าจัศรีมันแรงมากมันเร็วอีกต่างหากเขาก็เตรียมนายขมังทํามันเข้าทางไหนก็เตรียมเตรียมการเอาไว้หมดเพราะราจัศรีก็ไม่ได้คิดังว่าตัวเองเคยกินยังไงเคยเข้ายังไงทําอย่างนั้นที่ว่ากระโดดข้ามกำแพงไม่สามารถที่จะยิงแล้วทันเหล่านั้นแต่คนหนึ่งมันจ้องเตรียมพร้อมอยู่แล้ว ผลในสุดก็กระโดดข้ามกำแพงไปข้าบหมาเวลาขณะที่ไปในกยคำมังธนาวุฒิไม่ยิงเพราะมันเปรี่ยวมันไวไม่สามารถที่จะยิงแต่มันจะยิงก็ทนันอยู่แต่ไม่ยิงเในขณะที่มันคาบหมาแล้วมันหนักได้สต็มันคาบม้าทั้งตัวขึ้นมามันก็ต้องช้ากว่าที่มันไปเร็วงั้นแต่พอข้าบหมาเสร็จมันก็กระโดดข้ามกำแพงมาเขาเอาจังหวะนั้นพอดีเอาทุนูเขาก็อาบยาพิษ ใส่ปล่อยลงไปเลยเต็มเต็มเป่าเลยเพื่อั่นแะอาบยาพิษด้วยร้องโอ้กเฮราศีสีวางม้าเลยกระโดดข้ามไปก็เป็นนอนตายไปถึงปากถ้ำก็นอนตายผู้พ่อเ็เลยบอกว่านี่แหละลูกพ่อบอกแล้วไม่ฟังการครบค้าสมาคมต้องดูต้องเลือกคบถ้าคน ถ้าไม่เลือกครบแล้วลูกจะต้องหายนะอย่างเจ้าที่เป็นนี้แหละข่าวนี้เจ้าต้องตายแล้วไม่เป็นอย่างอื่นเพราะถูกอาบด้วยยาพิษแล้วพ่อแม่พี่น้องไม่สามารถที่จะช่วยเจ้าได้อีกแล้วจากนั้นราชสีห์ตัวนั้นก็เลยตายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิทานเรื่องนี้ในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการครบค้าสมาคมจะเป็นใครก็ตาม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 เราก็จะทดลองเล่นบอลกับเขาพ้นที่สุดเราก็เป็นนักเรียงบอลพ้นที่สุดกับความเจ๊งความหายยันะก็จะเข้ามาสู่เราการพนันขันต่อด้วยว่าความชั่วหลายหลายอย่างเพราะอาศัยการครบค้าสมาคมนักเรียงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันแล้วก็คบคนชั่วป่นสดมคดโกงต้มตุนมีมากคนชั่วลหลายหลาอย่าง ว่าคบคนใดก็มักจะเป็นเช่นคนนั้นเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าจาึงบอกให้เลือกคบือวากัะยาณมิตตาให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนที่มีนิสัยไม่ดีอันนี้ให้พวกเราสังเกตนะพวกเราเป็นคนหนุ่มเป็นคนหนุ่มเป็นทรพจกรของชาติ จึงจะเป็นแพทย์เราไม่มีหมูเพื่อนมากหน้าที่การงานของเรารัดตัวก็เถอะแต่ท้าว่าพวกเราปล่อย ป, อยปาดละเลยในสิ่งเหล่านั้นอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเสียหายช่วช้าอย่างที่ราชสีไปคบกับหมาจริงจอกอย่างนั้นนะเพราะนั้นท่านจึงสอนเปรียบเทียบไว้ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ดี เราจะเป็นเช่นคนนั้นแหละคบคนคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะในการสอนของพวกพระเดจจาที่ท่านสอนพวกพุทธบริษัทตัวสอนพวกเราท่านทั้งหลายท่านยกขึ้นมาเป็นนิทานเพื่อจะให้พวกเราจำได้ง่ายนิทานเรื่องนี้ความเป็นมาอย่างนี้สอนให้รู้ว่าคล้ายๆมาเปรียบเทียบ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 หันหลังให้บรรดิตนักปราชญ์ภาษีห้าเป็นของคือของราชสมัยแง่คนไม่มีสินเท่านั้นเป็นของทันสมัยต่างคนต่างคิดอย่างนั้นคนต่างคนก็ต่างไม่มีสินแต่ผลของคนผลของการไม่มีศินนั้เป็นอย่างไรแมีแต่ฆ่ามีแต่ขโมยมีประพฤติผิดในการมมีแต่โกหกมีการดื่มสุราคนไม่มีศินเป็นอย่างนั้นแล้วผลแห่งการกระทําเช่นนั้นจะเป็นยังไงมีความสุขไหม สงบพร้มเย็นเป็นสุกไหมพวกเราหลับตาดูก็แล้วกันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาสู่ชุมชนและสังคมเพราะอ น, นิสง์การไม่มีศินมีแต่ความเดือดร้อนอ น, นิสง์ผู้รักษาสินอ น, นิสง์ของศินมีแต่ความสุข พ, พร่มเย็นต่างคนต่างมีสิลเพราะฉนั้นที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนผมมั่นใจว่าถูกต้องที่สุดไม่เป็นอย่างอื่น ตลอดถึงทานศีลภาวนาก็เหมือนกันภาวนาในทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งนะเพราะนั้นในการบวชของพวกเราทุกทกท่านในครั้งนี้ถึงจะมีเวลาน้อยผมขย้ำแล้วย้ำอีกอยากจะให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติการภาวนาการอยู่บวชเข้ามาอย่าไปคิดว่าการบวชของเราเนี่ย ไม่รู้จะทำอย่างไงอยู่เป็นวันๆไม่เห็นทําอะไรพวกเราจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแปลว่าพวกเราไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติเหมือนกับไปเรียนหนังสือไปเข้ามาหาวิทยาลัยก็ไปนั่งจกปุกอย่ครูอธิบายครูพูดอะไรเราก็ไม่ได้สนใจผลที่สุดเรากา็มานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรมีแต่คนพูดมีแต่คนแนะ น, นําอ่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 คือพรพุทเจ้าท่านให้เข้ามาที่พวกเราเข้ามาบวชตามหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้ดูใจนะใจนั่นคืออะไรใจเป็นของละเอียดอ่อนใจนั่นก็คือความคิดใจนั่นคือนามธรรมใจนั้นมองไม่เห็นแต่ว่าใจนั้นมีพลังพลังที่สามารถได้ขับเคลื่อนร่างกายให้ทำอะไรก็ได้ให้พูดยังไงก็ได้ใจหลวง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 มาฉันฉันแล้วกลับกุฏิกลับกุฏิแล้วตอนบ่ายมาดื่มน้ําดื่มน้ําปานะจากนั้นไปปัดกวาดปัดกวาเดเสร็จแล้วกลับกุฏิไปชุมอแล้วก็ลวกลับไปกุฏิใหม่พระสดมนเสร็จแล้วกลับไปกุฏินั่งภาวนาหนิดนอนแล้วก็นอนพรุ่งนี้เช้าก็เดินมาทางอีกเดินมาวินทบาตอีกไม่เห็นได้อะ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 ไปโรงเรียนแล้วไปเข้าข้องส ม, มุดแล้วศึกษาแล้วกลับมากลับมากกินข้าวกินน้ำอาบน้ำอาบผ้าเล่นกีฬาเล่นกีฬาจากนั้นก็ทําการบ้านเสร็จแล้วนอนถ้าเราคิดว่าได้อะไรได้ก็ตรงที่ว่าเราเข้าไปนั่งในห้องเรียนเราไปศึกษาครูสอนอะไรบ้างอันนั้นแปลว่าเราได้นอที่ศึกษาในค้นคว้าจากนั้นกลับมา ทำการบ้านอีกศึกษาในการก็ทําข้อตนเองดีจากนั้นประวัติเราได้ศึกษาแต่พวกเรามาในครั้งนี้ที่นี้เข้ามาบวชในครั้งนี้เราได้อะไรในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นผมแนะนําบอกกล่าวว่าให้พวกเราดูใจของตนเองพวกเราจะรู้ได้ว่าใจของเรานะ่ยคิดอะไรในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาที แต่ทุกขณะ จ, จิตใจของเราไม่มีเวลาว่างเว้นเลยว่าจะไม่คิดมันคิดอยู่ทุกขณะอขณะจิตที่มันคิดเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงจึงจะให้มันหยุดคิดให้ได้กําหนดดูใจของตนเองดูใจตัวหยุดคิดเนี่ยเพราะในหลักอื่นหลักวิชาอื่นมีแต่เขาให้คิดให้ศึกษา คนคว้าตำรับตำราเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องมีอะไรต่อมีอะไรมากมายมหาศาลที่เขาที่เราเข้าไปศึกษาทางคิดสถาปนิกเขาก็แนะนำให้เพอ้อฝันในไปในทางสถาปนิกทางวิศวะเขาก็คิดํำนวนโครงสร้างพวกเคมีหมอพยาบาลคือมีหน้าที่แต่ละแต่ละอย่าง คือสรุปแล้ก็คือให้คิดทั้งนั้นแต่ใ น, นหลักของพุทธศาสนาที่เราเข้ามาในครั้งนี้สอนให้หยุดคิดด้วยสอนให้คิดด้วยและให้รู้จักปิดแล้วก็ให้รู้จักเปิดวิธีปิดปิดยังไงคือกระพดโครมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเพืว่าให้รู้จักปิดให้จิตอยู่กับที่ไม่ให้มันปูงฟุ้งออกไปข้างนอกเปิดเปิดยังไงให้เห็น พิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างเกษาโลมานาขาทันตาตะโจเกษาผมโลม า, ลนาขนนาาเล็ตทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเจื่อในกระดูกให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะพระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจของเราหลงหลงร่างกายพอมันหลงร่างกายแล้วมันจะหลง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 จะต้องตายต้องสู่ดินน้ำลมไฟผลที่สุดเผาไฟเป็นกระดูกร่างกายของเราในเมื่อของเราเป็นกระดูกอย่างนั้นแล้วจะไปหลงส่วนอื่นจะไปหลงไปเพื่ออะไรเราได้อะไรในสิ่งเหล่านั้นในตัวของเราก็ยังไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ครองอยู่ไม่ถึงร้อยปีจากนี้ไปอจากนี้เรามีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือให้พิจารณานะให้พิจารณาร่างกาย ของเราที่หลักของพุทธศาสนาก่อนที่จะพิจารณาร่างกายนะั้นทําจิตให้สงบแต่ก่อนที่จะทําจิตให้สงบนั้นเกิคือให้รู้จักวิธีการอย่างที่ว่านะั้นวิธีการที่เราบวชกข้มานะี้ให้มาดูอะไรไม่ให้มาดูสิ่งอื่นนะให้มาดูใจให้มาดูต้นตอของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าก่อนที่เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเลือกสวนไรนา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 ถ้าใจของเราดีแล้วออกไปข้างนอกออกไปเป็นแพทย์เป็นหมอหรือออกไปเป็นคราวาสญาติโยมอย่างในไขรอะไรก็ตามเราจะรู้จักวางตัวถูกต้องว่าเราควรจะทำตนอย่างไรความรุ่มรวยมัวเมาก็จะกิเลสราคะโทสะโมหะก็จะไม่เหยียบย่าใจของเราจนเกินไปเพราะเราได้พิจารณา หลักธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วเรารู้จักแยกแยะอันนั้นควรเป็นยังไงอันนี้ควรเป็นยังไงอยู่ในจิตในใจของพวกเรานะเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นหนักตรงที่ใจนะหลักอื่นศาสนาอื่นมีแต่ว่ามีแต่สมาธิเท่านั้นเองสอนเรื่องสมาธิหลือศีสีไพรสอนเรื่องสมาธิทําจิตให้สงบ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 อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่แหละหลักของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปศาสนาอื่นไม่มีนะพวกเราศึกษาดูก็แล้วกันมีนตลับของพุทธศาสนาไนหะพิจารณาอย่างนี้สรุปแล้วก็คือพรพุทธเจ้าบอกใจของเราเนี่ยไปติดไปพ้องไปแวะกับสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นทุกข์ถ้าจิตรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่อย่างเดียวใจหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสไม่สามารถที่จะเกาะจิตใจ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 ให้มาดูใจเข้ามาศึกษาใจเพราะใจเป็นใหญ่มนโนผู้พังเข้ามาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจที่พระพอุทธเจ้าไปบาเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีเนี่ยท่านไปสู้กับใจของท่านนะไปดูใจของท่านนะเราจะไปคิดว่าเป็นอย่างอื่นไปสู้กับพยาบาลพยาบาลก็คืออะไรพยาบาลก็คือความโลภ ความโกรธความหลง่ะราคะโทสะโมหะไปสู้กับ น, นางตัณหานางราคานางอรดีพร้อมกับพยาบาลเสนาแมานเอาชนะได้เในโคนต้นโพชนะใจของพระ อ, องค์นั่นแหละเพราะใจใจของเราไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นอสิ่งเหล่านั้นก็สําคัญมาที่ใจของเราถ้าเราไม่ให้ความสําคัญสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สําคัญ ถ้าเมื่อเราให้ความสาคัญสินะสั้นจริงแล้วมันก็สำคัญขึ้นมาเพราะนั้นท่านจะให้ดูที่ใจดูที่ใจชำระที่ใจปล่อยวางที่ใจใจรู้เห็นตามความเป็นจริงแนละ้วใจจะหลุดพ้นจากกิเลสหลักาโทสโมหะเพราะนั้นวันนี้ผมได้พูดถึงเนพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อโลกต่อพวกเราด้วยที่พวกเรากราบไหว้ฉนนสนเสริญ ิติปิสโสพระวาอรหังสัมมาสัมพุทธเราไม่ได้ขออ้อนวอนพระพุทธเจ้ามีตาวันเรายกย่องเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้เฉลียวฉลาด เ, เป็นผู้รอบขอบหน้ากาบใ้สักระบูชาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติจอมรู้เองเห็นเอ ง, เองไปรับรดเอง พระธรรมคําสั่งสอนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วน่ากราบไหว้สักการะ บ, บูชาแล้วก็นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติย่อเรายึดพระไตรสาระคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระของพวกเร า, เราวันนี้ผมได้พูดในเรื่องการเป็นอยู่ การระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงวาเราบวชในครั้งนี้บวชมาเพื่ออะไรมาศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็การเป็นอยู่แล้วก็ได้เล่าชาดกให้เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราการพบค้าสมาคมเลือกทบอยากให้พูดเกี่ยวกับการศึกษาพวกเราเข้ามาศึกษาเรื่องอะไรสรุปแล้วคือให้มาศึกษาใจนะเรื่องของใจให้รู้จักสนามลบรู้จากวิธีการ ที่จะศึกษาถ้าพวกเราไม่รู้จักวิธีการศึกษาแล้วพวกเราจะหาที่ศึกษาไม่ได้นะเอไม่รู้จะทํำยังไงเข้ามาแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นวันวันไปอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้นั่งดูใจของตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามันเผลอแว บ, บไปเอาจับมาพุทโธพุทโธใหม่แวบบไปมาพุทโธจับหลายครั้งตหลายหนเราจะรู้ได้เลยทีนี้เออพอรู้ได้โอ้จุดดีเองที่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ ดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองจากนั้นก็ทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้เพราะจิตที่สงบเป็นหนึ่งนะนั่นแหละเราจะรู้ได้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งมันอยู่ที่ใจทั้งหมดที่นี่เยเมื่อเอาชนะชาระใจแล้วความสุขสบายจะเกิดขึ้นที่ใจของเราเความทุกข์ทั้งหลายออกไปจากที่นี่หมดนะความทุกข์ความสุขมันอยู่ด้วยกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่ทานนะ ที่ได้ยินได้ฟังก็นำไปพิจารณาไต่ตรองพิจารณาเหตุและผลตอนนี้ไปนั่งสมาธิชั่วระยะหนึ่งค่อยเลิกกันนะนั่ง This evening the talk is about um, first หลวงพ่อทักเกี่ยวกับ when we listen to the Dharma it's u uh, it's actually very healthy to have doubt as long as we don't go into anxiety actually doubt is a foundation that we can uh Uh, that the uh, wisdom to arise, and then after that he talk about review the all the Buddha's teaching in general. First, talk about the generosity and uh, the virtue. He emphasizes that generosity and virtue is because t h uh, t h e Buddha emphasizes emphasize these two, uh, these two aspect s because that's uh, for the, our long term happiness. If we always look in, o o k very uh, near-sighted, and we are always very selfish, and we don't observe the, the virtue, and then all the, our society will be in a miserable uh, state. Then how can we can um, develop happiness for ourselves? And following that, he uh, talk about that we should go into a deeper level of meditation. Before we, uh, he go talk about meditation. He also uh, talk about uh, it's very important that we should associate with uh, a good friend. If you associate with bad friend, you'll w i bring a very miserable result. He uh, use uh, Devadatta, that uh, in his uh, although he's a disciple of Buddha, but he's uh, he later on he deteriorate and becomes the opponent of the Buddha. And he actually get a lot of a uh, uh, provision, a lot kind of a uh, support from the people. So some monks see he has so many for requisite and come over to him and associate with him, and the result is miserable. Also, he r o p o also mentioned uh, the, in the one of his life of Buddha, he was a lion king, and uh, he um, because he associate with a fox, and fox always tell him the. Um, lead him to uh, to do something which is not uh, correct. For example, he suggest him to uh, eat horse from uh, a a kin from uh, near the wall of a kin, and uh, he listened to him and uh, really go to uh, eat a h o r s e And then the result is that he was shot with uh, some poison and die because he listened to the the fox. Use this ah uh, the uh, story that remind us uh, we should always be very careful in uh, uh, our association with friends, and then u h uh, go further to talk about howana. w uh, e go about talk about meditation. The analogy is that if you go to school, you don't know the method, and you don't know how to study, then you will feel that you go the o l d u h go through the, the whole day, the whole year, you did not learn anything, and. Just like that, you come here to become a monk. You ordain as a monk. If you don't know the method to meditate, you will feel you do. You pass the life day by day, day by day, but you do not learn anything. And what's the method meditation? The most important key point is that you should always look inside at your heart, because your heart is all the problems spring from, and. If you really look at your heart, you will know your heart. Your mind always thinking, never stop. And the method is that we should train ourselves to stop the mind thinking when it's needed, and train ourselves how to think correctly. And the method to think correctly is that we always, when we make our mind quiet and calm, we should use this concentrated state to investigate our body. To investigate the four noble truths, to use a four foundation of mindfulness, to let the wisdom uh, arise from um, our concentrated mind. That's uh, the essence of today's talk.